บทที่สภูมิแห่งชีวิตในระดับต่างๆหลักการอันเป็นมูลฐานอย่างหนึ่งของปรัชญาฝ่ายโยคะอันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับจิตใจของคนตะวันตกก็คือเรื่องภูมิต่างๆของชีวิตอันหมายถึงสภาวะความเป็นอยู่หลังจากตายแล้วทั้งนี้เพราะแนวความคิดของตะวันตกอดคิดไม่ได้ในแง่ที่ว่าคนที่ตายจากโลกนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหน คือคิดถึงสภาวะแห่งชีวิตหลังจากความตายว่าจะต้องเป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเสมอสาเหตุของเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากหลักการทางศาสนาโดยที่นักศาสนาทั้งหลายสอนให้ประชาชนคิดไปในทำนองว่าสวรรค์นั้นจะต้องเป็นสถานที่ล่องลอยอ ย, อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในอวกาศมีอาคารใหญ่โตสร้างขึ้นด้วยอั ญ, ญมณีคือเพชรต่างๆทางเดินในสวรรค์ดังกล่าวนี้ ก็มีทองคำปูลาดโดยตลอดแม้บุคคลบางคนที่รู้จักสูงขึ้นมากจนกระทั่งไม่เชื่อในเรื่องรายการละเอียดเกี่ยวกับเพ็ดพลอยและทองคำแล้วก็ยังอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเมืองสวรรค์ในแง่ว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจนได้จิตใจของชาวตะวันตกรู้สึกว่าจะไม่สามารถคิดให้เป็นนามนธรรมได้เลยดังนั้นถึงอย่างไรอย่างไรสวรรค์ของเขา ก็จะต้องมีลักษณะเป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจนได้เสมอแต่โดยทั่วไปจิตใจของชาวตะ ว, วันออกจะรู้สึกว่าสามารถเข้าใจเรื่องสภาวะแห่งชีวิตดังกล่าวมาแล้วโดยไม่ยากนักความรู้ในเรื่องนี้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนต่อๆกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษได้ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องภาวะได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเรื่องเทสะหรือสถานที่เหมือนกัน ชาวตะ ว, วันตกบางคนก็ยังคงเข้าใจว่าภูมิแห่งชีวิตเหล่านี้อยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆั้นเหมือนกับชั้นของวัตถุฉะ น, นั้นซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ก็ยังไม่ตรงต่อความจริงอยู่นั่นเองเพราะภูมิแห่งชีวิตในที่นี้ไม่มีความหมายของคำว่าสถานที่ใดๆจะนำมาอนุโลมหรือประยุกเข้าได้เลยคาว่าภูมิในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกหน้านี้ มีลักษณะเป็นสภาวะของกำลังงานทางจิตมากกว่าจะเป็นสถานที่สำหรับพลังงานทางกายความแตกต่างที่เห็นได้ชัดประการหนึ่งก็คือภายในเนื้อที่ของอวกาศแห่งหนึ่งคือภายในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็อาจมีภูมิแห่งพลังงานดังกล่าวอยู่หลายภูมิก็ได้คือสามารถมีภูมิแห่งพลังงานทางจิตซ้อนกันอยู่ได้ภายในสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเองซึ่งทางนี้ แสดงว่าภูมิที่กล่าวมานี้ไม่ใช่วัตถุและไม่เกี่ยวกับสถานที่ชนิดที่เราเข้าใจกันตามปกตินั่นเลยเพราะถ้าเป็นสถานที่แล้วก็จะอยู่ซ้อนกันในที่แห่งเดียวกันไม่ได้เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะขอลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับเสียงดังต่อไปนี้เปรียบเทียบเรื่องเสียงแสงและไฟฟ้า สมมุติว่าเราบรรเลงดนตรีทําให้เกิดเสียงดนตรีหลายเสียงในเวลาเดียวกันจากเครื่องดนตรีหลายชิ้นด้วยกันแต่ละเสียงย่อมมีความสั่นสะเทือนหรือช่วงคลื่นของมันโดยเฉพาะคือไม่เหมือนกันดังนั้นในอากาศตอนนั้นจึงปรากฏมีความสั่นสะเทือนอันเกิดจากเสียงดนตรีหลายระดับในเวลาเดียวกันและก็โดยไม่มีการรบกวนก้าวไก่หรือแย่งที่ในอวกาศกันเลยตามหลักแห่งวิชาฟิสิก เทหวัตถุ2ชิ้นหรือสองอย่างจะอยู่ในสถานที่แห่งเดียวและในเวลาเดียวกันไม่ได้เป็นอันขาดแต่ความสันสะเทือนอันเกิดจากระดับเสียงต่างๆกันนี้สามารถจะอยู่ในอววะกาศในสถานที่แห่งเดียวกันและในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากมายเท่าใดก็ได้และไม่มีการกระทบกระทั่งชนกันหรือแย่งที่การเกิดขึ้นเลยลองนึกถึงภาพบุคคลที่กาลังฟังดนตรีจากวงออเคสตรา ซึ่งจะต้องใช้เครื่องดนตรีนับเป็นจำนวนร้อยๆชิ้นเปล่งเสียงซึ่งมีความดังในระดับต่างๆกันมีเสียงดนตรีต่างๆกันและมีคุณภาพหรือลักษณะแห่งเสียงต่างๆกันเช่นเสียงขลุ่ยและเสียงเปนโนแม้จะบรรเลงคลอกันไปโดยใช้โน้ตัวเดียวกันก็จะออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันอากาศในตอนนั้นในสถานที่นั้น จะเต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนของเสียงนับจํานวนร้อยๆ อ, อ, อย่างแต่ผู้ฟังก็ยังอาจจะเลือกฟังเสียงดนตรีชิ้นใดก็ได้ที่เขาต้องการจะฟังแต่เขารู้จักแยกเสียงออกและสามารถจะฟังเสียงโน้ตตัวใดก็ได้ที่เขาต้องการจะฟังแต่เขารู้จักแยกออกทั้งนี้เพราะเครื่องดนตรีเหล่านั้นไม่ได้บรรเลงด้วยโน้ตตัวเดียวกันเสมอไปซึ่งเขาอาจจะต้องการเสียงรวมของเครื่องดนตรีทุกชิ้นในขณะเดียวกันก็ได้ ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีเสียงของดนตรีชิ้นใดถูกแย่งที่ให้หายไปเลยละเสียงดนตรีทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในเนื้อที่เล็กๆในช่องหูของเราได้อย่างน่าประหลาดนี้เป็นตัวอย่างชนิดหยาบเพื่อแสดงให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจถึงลักษณะนในทางเปรียบเทียบของภูมิที่เป็นสภาวะไม่ใช่สถานที่อย่างน้อยอาจทาให้ท่านเห็นแนวทางที่จะเข้าใจได้บ้างว่า ที่ว่าโลกหน้าไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่ในอวกาศแห่งใดแห่งหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรต่อจากนี้จะขอยกตัวอย่างเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบประการที่สองซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่าตัวอย่างที่หนึ่งเล็กน้อยตัวอย่างเรื่องนี้เกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของแสงเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าแสงเป็นความสั่นสะเทือนของคลื่นแห่งอีเทอร์ ซึ่งไปสัมผัสกับวัตถุการที่วัตถุหนึ่งหนึ่งจะมีสีอะไรนั้นยอมสุดแล้วแต่ว่ามันจะมีความสันสะเทือนอันเป็นลักษณะเฉพาะของมันในระดับใดแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเรานี้มีสีต่างๆกันรวมกันเป็นสีของสเปกตรัมซึ่งเราอาจแยกดูได้โดยใช้เครื่องมือคือแก้วแท่งปริซึมดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ที่ได้ที่แสงอาทิตย์ส่องไปถึงที่นั้นก็มีปรากฏอยู่ทุกสีทั้งนี้หมายความว่าถ้ามีเครื่องมือสำหรับแยกแสงดังกล่าวมาแล้วเราจะนำไปแยกแสงอาทิตย์ที่ไหนไหนก็จะต้องได้ผลอย่างเดียวกันคือปรากฏว่ามีสีทุกๆสีพร้อมกันดังที่กล่าวมานี้เท่าที่ปรากฏแก่สายตาของเราคือเท่าที่สายตาของเราพอจะมองเห็นได้เท่านั้น นอกเหนือไปจากนี้ยังมีสีอื่นๆอยู่อีกซึ่งตาเรามองไม่เห็นทั้งๆที่สีเหล่านั้นก็มีอยู่ในแสงอาทิตย์นั่นเองเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสีเหล่านั้นบางอย่างก็มีช่วงคลื่นสูงเกินกว่าประสิทธิภาพของสายตามนุษย์และบางอย่างก็มีช่วงคลื่นต่ำกว่าประสิทธิภาพของสายตาเราสีต่างๆเหล่านี้เรารู้ได้ว่ามีก็โดยอาศัยเครื่องมือพิเศษ สำหรับตรวจสีซึ่งมีประสิท ธ, ธิภาพเกินกว่าสายตาของเราอย่างไรก็ดีสีทั้งหมดทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นนี้ก็สามารถรวมกันอยู่ในอวกาศคือในที่แห่งเดียวกันและในเวลาเดียวกันได้อีกโดยไม่มีการรบกวนและชนกันเหมือนกับหลักของวัตถุในทางฟิสิกส์เลยความจริงที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบเป็นข้อที่สองนี้ อาจเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านพอเข้าใจถึงหลักความจริงได้ดียิ่งขึ้นที่ว่าภูมิแห่งชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอวกาศหรือไม่มีอวกาศหรือไม่ต้องการอาวกาศเลยตัวอย่างเปรียบเทียบประการที่สมเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะเห็นได้จากความจริงดังต่อไปนี้ การส่งข่าวสารทางโทรเลขสมัยปัจจุบันคือในสมัยก่อนนะครับเราสามารถจะส่งข่าวกลับไปกลับมาโดยใช้สายเดียวกันได้โดยไม่รบกวนกันเลยทั้งทที่ส่งออกไปในเวลาเดียวกันนี่กล่าวด้วยการส่งข่าวชนิดที่ต้องใช้สายแต่ถ้าเราคิดให้กว้างออกไปอีกโดยคิดถึงการส่งข่าวชนิดที่ไม่ต้องใช้สายเลยเราก็จะเห็นว่าในอวกาศแห่งใดแห่งหนึ่งและในเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจมีข่าวสาร ท, งทางโทรเลขชนิดไม่มีสายนับเป็นจำนวนพันๆแทรกซ้อนวิ่งพล่านพันกันไปมาในที่นี้อาจเทียบได้กับคลื่นวิทยุหรือปัจจุบันคือข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอาจมีข่าวสารชนิดไม่มีสายนับเป็นจำนวนพันๆแทรกซ้อนวิ่งพล่านพันกันไปมาอยู่ได้โดยไม่ชนกันและไม่รบกวนกันเลยและโดยม่รู้เรื่องของกนและกันด้วย เพราะข่าวสารที่ส่งออกมาด้วยคลื่นหรือความสั่นสะเทือนขนาดต่างๆกันนั้นต่างก็วิ่งพล่านไปมาอย่างอิสระและไม่มีความรู้เรื่องของข่าวสารอื่นๆนับพันๆที่วิ่งพล่านอยู่ในอวกาศในขณะเดียวกันและในที่เดียวกันนั้นเลยโดยในย่านนี้จึงมีเหตุที่พอจะคิดตามไม่เห็นได้ว่าในอวกาศโดยสถานที่แห่งเดียวกันที่ใดที่หนึ่งก็ตาม อาจมีโลกอื่นๆอีกหลายสิบโลกแทรกซ้อนกันอยู่ในเวลาเดียวกันก็ได้โดยไม่รบกวนกันเลยและโดยที่ต่างก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องราวของกันและกันเลยก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เคยเขียนนวนิยายอันเกิดจากความฝันในทำนองนี้ไว้หลายเรื่องด้วยกันอย่างน่าสนใจซึ่งก็ปรากฏว่าเขาเหล่านั้นได้เข้าถึงหลักแห่งความจริงซึ่งเป็นไปได้อย่างแท้จริง โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นคือหมายถึงในหลักความจริงไม่ใช่ในรายละเอียดเพราะสิ่งที่ได้นึกฝันเขียนออกมานั้นคือความจริงอันยิ่งใหญ่ทางฝ่ายนามธรรมาซึ่งแสดงออกมาในแง่ของรูปธรรมนั่นเองภูมิต่างๆคือความสันสะเทือนในระดับต่างๆ อาจมีปัญหาถามว่าหลักการทางโยคะสอนว่าภูมิแห่งชีวิตเหล่านี้มีลักษณะเป็นความสันสะเทือนในระดับต่างๆกันของวัตถุใช่ไหมขอตอบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะอันที่จริงคำสอนทางโยคะกล่าวว่าภูมิแห่งชีวิตต่างๆเหล่านั้นมีลักษณะเป็นความสันสะเทือนในระดับต่างๆกันของพลังงานมากกว่าที่จะเป็นของวัตถุ ในข้อนี้ขอให้ทราบไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุนั้นเป็นการแสดงออกของพลังงานในระดับที่ต่ำมากคือเป็นพลังงานนั่นเองแต่ต่ำมากจนต้องเรียกใหม่ว่าวัตถุจากความจริงดังกล่าวมานี้ขอให้ทราบว่ายังมีวัตถุที่ละเอียดมากกว่าวัตถุที่ละเอียดที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักกันในขณะนี้ และวัตถุที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักนี้ก็มีระดับแห่งความละเอียดแตกต่างกันกับวัตถุที่ละเอียดที่สุดที่เขาได้รู้จักแล้วมากมายเหลือเกินความแตกต่างกันดังกล่าวมานี้จะมีประมาณมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขอให้ทราบโดยเปรียบเทียบว่ามีมากกว่าความแตกต่างระหว่างวัตถุที่หยาบที่สุดที่เรารู้จักกันในเวลานี้กับวัตถุที่ละเอียดที่สุดที่เรารู้จักกันในเวลานี้เสอีก ดังนั้นความละเอียดของวัตถุที่เหนือกว่าความละเอียดอันสูงสุดที่เรารู้กันอยู่ในขณะ น, นี้จะมีถึงขนาดไหนนั้นจึงเป็นเรื่องที่จิตใจของเราในสภาพปัจจุบันนี้นึกวาดภาพไปไม่ถึงจริงๆอย่างไรก็ตามตัวอย่างที่ยกมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบนี้ก็คงจะพอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นหรือเข้าใจความจริงได้พอสมควรว่าสภาพหรือภูมิของชีวิตต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่ในอวกาศ ไม่ต้องการอวกาศเป็นที่อยู่และไม่มีการรบกวนกันเลยทั้งๆที่อยู่ในอวกาศที่เดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันเสียตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านผู้อ่านทราบว่าแม้หลักคำสอนทางโยคะจะรับรองเรื่องสวรรค์นรกว่ามีอยู่จริงก็รับรองในฐานะเป็นภูมิแห่งชีวิตหรือเป็นสภาวะเท่านั้น จะไม่ได้ถือว่าจะเป็นสถานที่ที่มีอยู่ในอวกาศแหง่งใดๆเลยส่วนภาษาที่ใช้พูดนั้นแม้ว่าจะใช้คําพูดที่อาจจะชวนให้คิดว่าหมายถึงสถานที่เช่นใช้คําว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตหรือคําอื่นๆก็ตามก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นสักแต่ว่ากล่าวไปตามความนิยมของภาษาเพียงเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจกันบ้างเท่านั้น ส่วนความหมายอันแท้จริงที่บ่งถึงก็ขอให้เป็นที่เข้าใจตามที่กล่าวมาคือเป็นสภาวะนั่นเองในหนังสือเล่มนี้จะไม่มีการบรรยายอย่างละเอียดถึงภูมิแห่งชีวิตใหญ่น้อยหยาบและละเอียดอันมีอยู่นับไม่ถ้วนในสากลจักรวาลซึ่งแต่ละภูมิก็มีลนะักษณะและรายการละเอียดอันมีอยู่นับไม่ถ้วนในสากลจักรวาล และแต่ละภูมิยังมีลักษณะและรายการละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเหลือที่จะบรรยายให้สิ้นสุดและถี่ถ้วนได้ข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับภูมิที่เรียกว่าโลกทิพย์อันเป็นภูมิของมนุษย์ที่ละโลกนี้ไปละเป็นส่วนมากเท่านั้นและในการกล่าวถึงภูมิเหล่านี้บางครั้งอาจจะมีการใช้คําว่าขึ้นหรือลงก็ขอให้ทราบว่า ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเป็นการขึ้นหรือลงจริงๆแบบขึ้นหรือลงบันไดหรือขึ้นและลงในอวกาศความหมายที่ใกล้เคียงที่พอจะนึกวาดภาพช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ก็คือเป็นการเพิ่มหรือลดความสั่นสะเทือนดังเช่นในกรณีที่เราเพิ่มหรือลดขนาดของคลื่นเสียงคลื่นแสงหรือคลื่นไฟฟ้าเช่นนั้นยกตัวอย่างเช่น ในการขึงสายไวโอลีนให้ตึงขึ้นเราก็ขยับความสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงให้สูงขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ขยับขั้นหรือระดับเสียงให้ไต่สูงขึ้นไปด้วยซึ่งความสูงที่เรากล่าวถึงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการขึ้นไปจริงในอวกาศแต่อย่างใดหรือในเมื่อเราใช้ความร้อนเผาแท่งเหล็กให้มีความสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสีของมันเปลี่ยนจากสีแดงคล้ำ ไปเป็นสีม่วงและขาวเป็นต้นความร้อนที่มีระดับสูงขึ้นนี้ก็ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับการขึ้นลงในอวกาศแต่อย่างใดในเรื่องไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเราก็อาจกล่าวได้ว่ามีการลดกำลังไฟลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีการขึ้นลงในอวกาศอีกเหมือนกันในด้านที่ละเอียดยิ่งขึ้นอีก เราอาจจะเปลี่ยนสภาพของวัตถุที่แข็งที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โดยการเพิ่มระดับความร้อนให้สูงขึ้นจนกระทั่งวัตถุนั้นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอไปและกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นความจริงในเรื่องทางวัตถุดังกล่าวนี้เป็นไปได้ฉั้นใดในด้านของโลกอันเป็นไปภายในฝ่ายนามธรรมก็เป็นฉันนั้น การขึ้นหรือลงในภูมิอันเป็นฝ่ายจิตใจเราอาจจะคิดว่าเป็นการเพิ่มหรือลดทางความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นก็ได้อย่างไรก็ตามขอให้ทราบไว้ด้วยว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ขั้นสูงนี้การบรรยายโดยใช้ถ้อยคำอันเป็นอุปกรณ์หรือสื่อแห่งความเข้าใจของภูมิขั้นต่ำย่อมเป็นการยากที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันสมบูรณ อย่างเป็นที่น่าพอใจหรือถูกต้องเที่ยงตรงได้ทุกกรณีดังนั้นคำพูดที่เราใช้เพื่อเป็นสื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันนี้เราต้องจำไว้ว่าเป็นเสมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นจะหวังให้มันทำให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆหรือเป็นสะพานได้บ้างในบางกรณีเท่านั้นเองเป็นอันว่าต่อไปนี้ เราจะได้สนทนากันถึงเรื่องภูมิแห่งชีวิตที่เราเรียกว่าภูมิทิพย์อันยิ่งใหญ่ต่อไป